มาดุห์ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي ال الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله و ه ل ش وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ا, أ, إ, أ الله ل ل الل ه h u m m a bika أصبحنا و bika أمسينا و bika نحيا و bika نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ت ا ل ى ما تمنشري ما خلا بسم الله لا إله ي ل ا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 ที่บ้านของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวเรานะ <c oughs> แต่เป็นเพราะความเมตตาอัลอฮมานนะครับที่ประทานให้กับบ่าวของอัลลอ์ทุกคน ดันั้นเราต้องนึกถึงนึกถึงอัลลอะ์ขอบคุณอัลลอฮ์มากมากครับเพราะการขอบคุณอัลลอะ์เป็นการสแสดงเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์และผลพอยได้ก็คือว่าโรคซึมเศร้าในหัวใจของคนบางคนเนี่ยป่วยก็ไปหาหมอแล้วหมอก็ให้ยามาสวนใยมันไปหาย เขาจะให้หายอัลลอฮฺบอกว่าอาลาบิซิคาริลลาอจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการนึกถึงอัลลอฮฺด้วยการดำลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้นแหละตัตมาอินนุลกูลูบทําให้หัวใจกูลูบเป็นคําบะคุณพระถ้าก้อนบุญเป็นเอกพจภพกูลูบบุญหัวใจของเขาเหล่านั้นหัวใจทั้งหลายเนี่ยตัตมาอินแปลว่าสงบนี่เป็นคําสัญญาของอัลลอฮฺ ถ้าจะให้หัวใจสงบมี่อยู่ช่องทางเดียวช่องทางอื่นปิดหมดแล้วให้นึกถึงอัลลอฮ์ดำลึกถึงอัลลอฮ์ทีนี้ภาษาที่ใช้นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยท่านนาบีก็สอนนบีเน่ไม่จะจบเป็นหนังสือที่ไหนไม่ได้เลยนะหนังสือก็ไม่ได้อ่านไม่เป็นเขียนไม่ได้อัลลอฮ์ให้จิบรีนมาบอกว่าเวลานึกถึงอัลลอฮ์ให้ใช้ภาษาเหล่านี้เช่น Subhanal Mulkir Kudus, wa yoy, wa bin roh a l h a m d u l i l l a h Subhanallah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la ilahe illallah, wahdahu, la s h a r i k a l a lahul mulku, wahul wa hamdu, wahwa'ala kulli shayin kadir, Subhanallah, wa bi h a m d i h i ni 7-8 p e r i n g t ni lah, p e r t o i kham. สำหรับนำเอาไปรำลึกถึงอัลลอฮ์พูดซ้ำไปซ้ำมาเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมมีอาบอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันมาที่เราเนี่ยประจำ <c oughs> แกนั่งจะมานะมาดก่อนเวลาเนปะ็นชั่วโมงชัง่วโมงมานั่งแล้วก็มานั่งยิกรุลอเนี่ยบางครั้งเนี่ ย, เ, ยเจอผมหน้ามัสยิดบอาวันนี้ผมยิกรุลร้อเนี่ย เป็นพันเขาบอำดีแล้วเราดีใจใช่หไหมดังนั้นการนึกถึงอัลลอ์เนี่ยไม่มีอะไรเสียเลยนะมีแต่ได้ก็ได้ได้เสียเวลาไม่เดียวมานั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ที่มัสยิดก็ได้ที่มัสยิดดีที่สุดตัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสามีกับภรรยากับลูกๆ ก, กับธุรกิจการงานจากมือถือมือถือเฟซไลน์ติดไปหมด มานั่งอยู่เนี่ยนมัส j ิ d ของอัลลอ์แล้วก็นึกถึงอัลลอส์ س า ح ا ن ه ขออบคุณอัลลอ์นะครับที่เราเนี้อัลลอ์ให้โอกาสเรานะมาทบทวนอัลกุรอานมาถึงสุรอนลุกมาเนี่ยมานีมาถึงอายาที่ยี่สิบกำลังกาลังอ่านกำลังทบทวนเรื่องลุกมาเนี่ยลูกมาเนี่ยสอนลูกเนี่ยทั้งหมดมันเก้าเรื่องเก้าข้อด้วย น้องก็เช็คเองห่ดแล้วกันประกาศเรื่องนี้อะไรนะแต่เรื่องใหญ่ก็คือละตุศริกบิลละอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ที่เรื่องใหญ่ที่สุดมาดานบีที่มาในโลกนี้นะที่มีชื่อนะ่ะยี่สบห้าท่านที่ไม่มีชื่อนะ่ะเป็นแสนนะามาเน้นเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ส่งมาทางานศาสนาเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องละตุศริกบิลละอย่าตั้งพาคีกับอลัลลอฮ์ เรื่องใหญ่บาง เ, เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอย่าตั้งควาคีดกับอัลลอฮฺจะท่านเรื่องรู้จักอัลลอฮฺยอมจำนนตนต่ออัลลอฮฺโดยสิ้นเชิงเป็นงานที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำให้เราปลอดภยัยจากการเป็นโรคต่างๆได้ด้วยแต่นี้เราจะไม่จะไม่ย้อนว่าก้าวเรื่องใี้เสร็จให้เสร็จนห้เสรอจของตัวลงมา เราไมันท้นวันองย ولا ودو ولا كتاب منير الحمد لله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة و ب ا ق ن ة ว่ามีนักหนาซ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ب ِ غير علم ب ِ غير علم ุวลาหุดาหุลาคิ تاب َุนีฮามดุลิลลาฮฺฮามดุ ل ิลลาฮฺขอบคุณ Allah อายะนเนี่ยหลังจากที่ท่านลุกมาเนี่ย <ير> นำเอาเรื่องเก้าเรื่องมาสอนและอลัลลอฮ์ก็นำเรื่องของลูกมานที่สอนลูกเก้าเรื่องเนี่ยนำเอามาเล่าให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฟังเนี่อนบีได้รับความรู้ผ่านอาลัลลอฮ์ผ่านยิบบีรีเนี่ยไม่ต้องไปเรียนหรอกก็ร้อนเล่าให้ฟังเองและเป็นความรู้ที่สะอาดเพราะมาจากอาลัลลอฮ์เขาเรียกว่าวพี่ อะไรที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีข้อผิดพลาดเลยท่านกุรานทั้งเล่มนี่นะเป็นพชนานของอัลลอฮ์สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีข้อขัดแย้งหลังจากเล่าเก้าเรื่องแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าอีกนะครับเล่าให้นบิลหมัดฟังนะไอ้เ น, นี้ยหมัดของฉันเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะเนี่ยหมัด น, นะที่เห็นด้วยตา กับที่มองไม่เห็นด้วยตาเห็นด้วยตามีอะไรบ้างกับซึอธิบายววาและที่ไม่เห็นเห็นเห็นทางใจเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอมาตที่เปิดเผยกับเนี่ยอมาตที่เรนลับเนี่ยอมัตที่เปิดเผยกับเนี่ยอมาตที่ไม่เปิดเผยมีส อ, อย่างเนี่ยอลัลลอฮ์สอนนะให้เราคิดเองคิดออกไหมล่ะคิดไม่ออกจากนั้นนะอลัลลอก์ก็ชี้นำ เอาความรู้นี่มาบอกให้กับนบีให้นบีมาสอนแล้วอยู่ในคัมภีร์คุณอ่านอาลัมตาเรามาดูสับนะอาลัมนี่แปลว่า <c oughs> ตาเราแปลว่าเห็นสูเจ้าเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยคิดไม่เคยไต่ตรองตาเราตาเราแปลว่าเห็นนะไต่ตรองเห็นคิดเหมือนกันตาเราหมดอาลัมตาเราสูเจ้าเนี่ยไม่เคยคิดดูบ้างหรือ ถามดีนะคุณเนี่ยไม่เคยเห็นบ้างรึไม่เคยสังเกตบ้างรือไม่เคยพิจารณาบางหรือาลัมตาเราภาษาใช้ง่ายมากเลยครับท่นคนที่เรียนภาษาลาบเนี่ยเขาว่าเราอาเป็นว่าเห็นอาลัมตาเราคุณไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตไม่เคยพิจารณาไม่เคยวิเคราะห์บางรื อ, อยู่บนดุงยาเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบปี วิเคราะหอะไรบ่างอ่ะนี่ถ้าอากักรอ่านมาเนี่ยอลัลลอฮฺสั่งไม่เคยสังเกตบ้างหรือนะครับว่าอันอัลลอฮฺแท้จริงอลัลลอฮฺซักอรอลากุมซักคอร์เนี่ยแปลว่าทาให้นะครับทาให้เป็นประโยชน์ซักคอรเนี่ยถ้าว่าวทำให้เป็นประโยชน์กับครละกุมกับพวกท่าน พวกท่านไม่เคยสังเกตบางหรือว่าแท้จริงอัลลอ์เนี่ยได้ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับพวกท่านมาฟิสามาวะามาแปล ว, ว่าสิ่งไม่มีชีวิตนะสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหม ด, ดชั้นฟ้ามีอะไรบ้างหนึ่งดวงอาทิตย์สองดวงจันทร์สามดวงดาวที่เราเห็นนะไอ้ที่ไม่เห็นอะไรบ้างมาเลยก็โอ้โห บนชั้นฟ้านี่มาลาอิกะเต็มชั้นฟ้านี่นะน บ, บีอธิบายเพื่อเข้าใจง่ายๆเรานั่งอยู่บนเตียงเตียงนะนั่งกันเต็มเลยบนเตียงน่ะนั่งกันหลายคนละเตียงมันก้าจะหักมันดังเอียดเอีดเอีดจะหักไม่หักนั่นแหละมาลาอิกาอยู่บนชั้นฟ้าเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างแม้แต่สี่นิ้ว สีนิ้วเราเนี่ยนะที่ว่างไม่มีกับุญชาตาเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยมันเราอีก น, นี่มองไม่เห็นนะเป็นเนี่ยมาที่มองไม่เห็นไอ้ที่เห็นอะไรบ้างเมฆใช่ไหมก้อนเมฆแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเห็นนั่นเห็นนี่มีแสงนู่นแสงนี้เนี่ยเาลาให้เห็นนะที่มองที่เห็นด้วยตาไอ้ที่ไม่เห็นด้วยตานี่เยอะมากเลย เคยสังเกตบ้างมั้ยเคยคิดบ้างมั้ยนี่อัลลอฮ์ชี้นำในกามีกุรอานให้เราเนี่ยได้เงันดูทองฟ้าบ้างไม่ใช่มองแต่ไลน์เฟซไอ้เนี่ก็เรื่องของคนหมดเลยอันมากเครียดอ่านกุนอ่านด้วยหลังเงันดูชองฟ้าโอ้ใช่เลยอัลลอฮ์ให้มาจังเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณอัลลอฮ์ว่ามาฟิลอาร์ตีและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน ในซูร่าที่ ผ, ผ่านมาเนี่ยเอาลราสั่งให้เราเดินทางใช่ไหมฟาซีรูฟิลอาลดีจงเดินทางบนหน้าแผ่นดินนี่แหละฟัมซูรูแล้วก็ไปสังเกตไปมองอัลมะห์อธิบายไว้หกรายการแล้มาต้องมานั่งใช้สมองเองอ่านอย่างเดียวใดความรู้หนึ่งให้สังเกตว่าคนเยอะไหมอาจจะไปประเทศไหนก็ได้อ่ไปไปมักกะยกตัวอย่างไปทาองรอาทำบาีถามว่าคนที่นั่นเยอะไหม โชกมากเลยมีกี่ประเทศไม่รู้โอ้ยหเห็นไหมแล้วก็สังเกตอะไรอีกสังเกตภาษาเขาคูยภาษาอะไรกันโอโลออาควาดสังเกตะอะไรอกข้อที่สาสีผิวของเขาเป็นยังไงเห็นยังครับแล้วก็ข้อที่สี่นี่นะสถานที่อยู่ของเขาเป็นเป็นยังไงข้อที่ห้านิสัยเขาเป็นยังไง และไอ้เมืองที่เราไปเนี่ยตรงนี้เคยถูกอลัลลอฮ์เล่นงานไหมเคยอลัลลอฮ์เคยลงบลามามาอย่างเดซีเนี่ยพอไปเดซีปับนึกเลยโอ้โหที่ตรงนี้อลัลลอฮ์เล่นงานเนี่ยทําไมเพราะคนตรงนี้เนี่ยโอ้โหผู้ชากับผู้ชายเข้าหากันอลัอลลอฮ์ลงโทษส่งนบีลุนมาสอนไม่มีใครเชื่ออลัลลอฮ์เลยเล่นงานฉะนั้นจะไปตรงไหนก็ตามบนหน้าแผ่นดินภใยนี้มีสิ่งที่เรา เป็นข้อสังเกตได้เต็มเลยนี่ใครชี้นำให้เราอัลลอฮ์ชี้นำในกัมภีรคุณอ่านในสูร้ออื่นๆอาลัมตาเราอันอัลลอฮสักคาระละกุมมาฟิสซาวาตว่ามาฟิลอาลุิแปลใหม่นะพวกท่านหรือว่าสูเจ้าไม่คิดดูบ้างหรือว่าอัลลอฮ์ได้ทรงทําให้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่สู่เจ้าเอามาใช้งานได้นะแปลว่าไม่ใช่นำเอามาบูชาเนี่ยวัลลมากกาอธิบายดีเอามาเป็นประโยชน์กับตัวเองได้นะแล้วก็อย่าไปบูชามันนะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดนัน่ะเป็นของที่อัลลอ์สร้างมาอย่าไปกราบอย่าไปบูชาสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดไม่ใช่เอามากราบเอามาบูชาเอามาพิจารณาเอานาเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเราได้เลย ของที่อัลลอฮ์ห้ามกามีใช่ไหมไอ้สิ่งนี้อย่าทำสิ่งนี้อย่าเอานะเอาสิ่งนี้นะอัลลอฮ์อธิบายนะกามีคุรอานไลยหมดต่อมาครับว่าอัลบากราไลคุมเนียมะฮูอัสบากร์เนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้ครบคันอัสบากร์แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำให้ครบคัน สับคำนี้นี่นะสับอัสบะก็นี่นะเอามาใช้กับคนที่อาบน้ํำนมาด้วยอิสบะรุลบูดุน บ, บีนำมาใช้ด้วยนะอัสบะก็แปลว่าทําให้ครบทําให้สมบูรณ์เอามาใช้กับคนที่อาบน้ํำนมาด้วยอิสบะรุลบูดุเวลาอาบ น, านา้ํำนมอาต้องอาบน้ํ า, นานำนมาดให้ครบให้สมบูรณ์ให้ทั่วถึงดูรูปแบบน บ, บี นบีอาบน้ำน้ำมาจังงั้นอย่าอาบน้ำน้ำมาแบบลวกลวกมีไหมก็ลูกเรานี่แหละมาทองพ่อใครอ่ะแล้วก็ต้องอบรมต้องเตือนลูกหนะ้าอาบน้าน้ำมาอาบไงอาบแบบให้ถูกต้องค่อยค่อ ย, อยทอําล้างเขตใบหน้าแค่ไหนใช่ไหมแขนแค่ไหนถึงไหนเช็ดศีรษะทํายังไงหลุดไปอย่างงี้เอากลับมาแล้วก็สายหู ต้องสอนหมดเลยท่านอัศบะก็นี่แปลว่าทําให้ครบครันเอามาใชาก้กับคนที่อาบน้ํานำมาด้วยนะครับเนื้ออามาหูเนื้ ม, มัดนี่แปลว่าความโปรดปรานของใครของอัลลอฮ์และเนี่ออมาดที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นะค ร, รนะครบแล้วนะครบแล้วอัลลอฮ์ให้มาครบคันแล้วสามารถที่จะนำเนื้ออ ม, มัดที่อัลลอฮ์ให้มานี่นะ ให้เราเข้าเฝ้าอลัลลอฮ์เข้าหาอลัลลอฮ์นะพออย่างพอแล้วถ้าต้องการจะไปสวรรค์นะเนี่อามัตที่อลัลลอฮ์ให้มานี่นะสามารถอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แบบสง่างามสองความรู้ที่พผ่านนบีรหรือผ่านยิบรีนมาให้นี่นะพอที่จะนําเอาไปปกป้องตัวเองเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของอลัลลอฮ์แบบสง่างามเลย และฉบะก์ عليكم نعمه ظاهرة وباقيه ظاهرة เนี่ยแปลอะไรนะเปิดเผยเนี่อธรรมะของอัลลอฮ์เนี่ยมีสองอย่างหนึงเนี่อธรรมะที่เปิดเผยกับเนี่อธรรมะที่ไม่เปิดเผยอธิบายยังไงที่เปิดเผยเนี่ยอุลามาก็อธิบายดีนะแล้วกับเนืองอะไรบ้างครับรูปร่างของมนุษย์ให้สังเกต รูปร่างของเราเนี่ยสวยแล้วไม่สวยทุกค น, นมองดูตัวเองเนี่ยสวยหมดนอกจากสุนนรกก็เห็นเราหนาวบมั น, มน om, ไม่สวยเลยเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมนี่นะอุลลามะก็แนะนำนะเนี่ยอมาตที่เปิดเผยอะไรบ้างรูปร่างของเราเนี่ย beautiful จะมีลจิตันคุณอ่านตรงไหนอัลลอฮสร้างมนุษย์มาในรูปร่างสวยงามมาก ตองก ล, าล่าวะอัลลอฮดีลิลละนะเราอะ <c oughs> ให้กล่าวเยอะๆนะมองอะไรไปก็เจอเจอแต่เนี้ยหมัดเนี่ยหมัของอัลลอฮฺใช่หรือไม่ใช่มองมือเราอัลลอฮฺละฮะอัลลอฮดีลิลละขอบคุณอัลลอฮฺมองทรงกระจกอัลลอฮฺอัก บ, บาดใบหน้าเราทําไมมันสวยอย่างนี้ต่นตอนนี้แกไปหน่อยแล้วนะไ <c oughs> อ้ น, นี่ขึ้นงอกรแล้วอัลลอฮฺก็นี่ก็เตือน อ, อีกเตรียมตัวตาบ้าตัวลวนะนา <c oughs> อย่าดัานทุรังทําชั่วล่ะ อ๋อทำมดยลิเอีย์เรื่องที่สองนะครับอวัยวะร่างกายของเราสมส่วนที่สุดเรื่องที่สามสัตว์ทุกชนิดที่อ๋อ้งให้มาสังเกตดูสิอาอรอที่รอบๆตัวเราเนะี่ยแพะแกะวัวควายเป็ดไก่ที่อ๋อร้งให้มานี่เป็ น, นอ้อสวยหมดเลยอะ่ะข้อที่ ต่อมาข้อที่4รีสกีเครื่องยังชีพที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นี่นะมีอะไรบ้างหนึ่งทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์ร่างกายแข็งแรงที่เป็นริสกีทั้งหมดเลยนะอัลลอฮ์อักบัต์นี่เป็นนนอ ม, มะลอฮิรอเป็นนนอ ม, มะที่เปิดเผยอัลฮัมจะเลือกใครแนะนำเราหมต้องชายสมองเลยอลุลลม่าเขาแนะนําไป้หมดแล้วเอาต่อมาครับวาบัตีนะวาไปไว้และบาตีนะ่าแปลว่าซ่าานาอนเร้น เนียมมาที่ซ่อนเรนอุลมามะก็อธิบายอย่างนี้นะกับพี่น้องหนึ่งเรื่องหัวใจอ่าเรื่องหัวใจเราเนี่ยมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็น2อ อ, อมาน อ, อมานหกข้อนี่นะอมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อมลกอมานต่อคำพีอิมานต่อรอซูล อ, อ, อ, อิมานต่อวันสิ้นโลกนะว่าโลกใบนี้มีวันหมดอายุแล้วโลกใบนใหม่จะตามมาเองเรียกว่ายามุลอาคิรอ แล้วก็ศรัทธาว่าความรวยความจนการเจ็บไข้ไดป้ป่วยสุขภาพแข็งแรงแผ่นดินไหวเซิร์นามิฝนตกน้ําท่วมทั้งหมดเหล่านี้ไม่จะเกิดขึ้นเองโดยความบังเอิญไม่มีทั้งหมดเหล่านี้เป็นตักเดชของอัลลอฮ์ดูแลมาจากที่นี่เป็นเนื้อธรรมที่มองไม่เห็นนะครับห้ามดูเรื่อยๆไปเนาะต่อมาครับข้อที่สาการรู้จักว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่ไหน นี่ก็เป็นเนื้อ amat าาน่ะถ้าไม่อา่านคุณอ่านไม่เจอเลยว่าลอย อ, อยู่ไหนอ่านคุณอ่านปั๊บอ๋อลอยอยู่บนชาน้าอยู่ยังไงวันหลัง อ, อ, อา่อออออานลราไม่ต้องมานั่งเถียงกันอลลอยอยู่ข้างบนอยู่บนบันลังอยู่บนชาน้าพอแล้วแค่นี้แล้วต่อมานะครับสติปัญญาของเราเนี่ยเคยเห็นไหมสติปัญญาเป็นยังไงนี่เป็นเนื้อาม m a t ที่เล่นลับที่มองไม่เห็นต้องขอบคุณน้องๆที่เราคิดนู่นคิดนี่ออก บางทีนั่งกัน 7-8 คนเราคิดออกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แสดงสติปัญญาเรานี่อัลลอฮ์ประทานให้นะอย่างดีเลยต่อมาครับอัลฮุสุนุลอัคลามารยาที่งดงามนี่เป็นนื้อมรรมที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เนื้อมรรมที่มองไม่เห็นนะการมีมารยาที่งดงามอ้าวจะจะเข้าห้องน้ำทำไงก่อนเอา เอาเท้าไหนเข้าเท้าร้ายเท้าซ้ายที่เป็นเนืม้มาตะที่ถ้าเราไม่เรียนศาสนาเนี่เข้าถูกไหมล่ะทําไม่ฟังศาสนาเลยไม่เรียนศาสนาจะเข้าห้องน้ําก็เข้าไม่เป็นผลบุญในการเข้าห้องน้ําไม่มีเลยคิดดูสินอนก็นอนไม่เป็นเห็นไหมฉะนั้นเราเนี่ยอยู่บนโลกยาวเนี่ยทุกนาทีนะโอ้โหมีรางวัลหมดเลยฉะนั้นเดือนอรมะรอนที่จะมาเนี่ยมีทั้งหมด สาสี่วันเอาเก้ิบตานะมิทั้งหมดกี่วินาทีรู้ไหมสองล้านห้าแสนเก้ามสองพันวินาทีเป็นยังครับนั่นเป็นเวลาวินาทีที่มีบรารักัดหมดเลยทําให้ตัวเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้หมดเลยทุกวินาทีนะสองล้านห้าแสเก้ามสองพันวินาทีครับอัลฮัมดุลิลละใครนับอย่าไฟังอุลมามะนับ เราไม่ได้นับเองอะไรพี่น้องนะครับอต่อมาครับคนที่ทำความผิดนี่เป็นเนี่ยมัที่มองไม่เห็นนะอุลมามะแนะนำนะคนที่ทำความผิดวันนี้อัลลอฮยังไม่รีบลงโทษนี่เป็นเนี่ยมัดเปล่านี่ยมัครับคนรุ่นก่อนเนี่ยถูกลงโทษมาแล้วเพราะทำอะไรผิดใช่ไหมลงโทษเลยลงโทษเลยลงโทษเลย แต่ยุคของอุมมนานบีมุฮัมมัดนี้เป็นยุคเดียวที่ท่านนาบีขออุอาวะอัลลอฮ์จ่าจอย่าเพิ่งลงโทษอุมาฉันนะถ้าทําอะไรผิดนี่นะให้ประวิงเวลาอยู่ไปก่อนจนกว่าเขาจะตายอพอตายในรับรองเลยสิถ้าท่านก่อนตายถ้าทําอะไรผิดนี่นะอลัลลอฮ์เรายังไม่รีบลงโทษแต่เล่นงานมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเตือนเปลี่ยนเปลี่ย น, ย น, ย น, ยนซะนะ เปลี่ยนนิสัยใหม่ซะ่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับข้อที่เจประวิงเวลาเอาไวาไม่รีบลงโทษนี่เป็นเนืยอมัดที่ยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นข้อที่8นะครับความผิดของมนุษย์เนี่ยเอาล็อปกปิดเอาไวานะ้น่ะไม่ยอมเผยให้ใครรู้เราเองก็ปิดอยู่ความลับใช่ไหมไปทำอะไรไว้น่ะรอทาเล่าปรชาบชานฟังนี่เขาไม่ครบเราแน่เลยงานเนี่ย ความผิดต่างๆเหล่านี้เอาล็อปกปิดเอาไว้ปกปิดเอาไว้ปกปิดเอาไว้บางทีเราเปิดเผยดเองถึงนบีก็ห้ามนะความชั่วที่ท่านพี่น้องทํำนี่นะท่านก็ปกปิดมาตั้งสิบปียี่สิบปีมาเล่าเลยตอนแก่อัลลอฮ์โดนเล่าทําไม่เก็ปิดเอาไว้เอาล็อก็ปิดอยู่แล้วนั้นน่ะเนี่ยอมัดเหล่านี้นะครับซึ่งเราคิดไม่ถึงนะแต่อุลามะเขาแนะนำเวนตตมซีดพออ่านไปอาจจะพบ อัลลอฮ์ขอบคุณอ bon ัลลอฮ์สุบฮานะบุห์ตะละฉะนั้นนี่อามที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นี่นะครบบริบูรณ์แล้วเป็นนี่อามที่เปิดเผยกับนี่ยอามที่เร้นลับที่ไม่เปิดเผยต่อมาครับวะามินันซึมยูจัดลูฟิลลาฮิบิไกร์ علمو ولا ه و د า ولا كتاب มُนีรมินัน ن ا มินปลว่าบางจากมาจากอันนาแปลว่าคนมนุษย์บางคนนะี่เอาล่อเล่าให้นบีฟังมาเด้อมนุษย์บางคนน่ะเป็นยังไงครับอยู่จาดีลูแปลว่าโต้เถียงนี่เป็นนิสัยของมนุษย์ชอบอะไรนะชอบโต้เถียงวันนี้ก็เหมือนกัน โอ้เถียงแรกเลยนนิสัยเดิมๆนะยังไม่ได้ซักฟอกยังไม่ได้เรียนศาสนายังไม่เข้าใจศาสนานี่เถียงทุกคําเลยเถียงกับแม่ตัวเองก็เถียงเถียงกับพ่อตัวเองก็เถียงไอ้เรื่องเพื่อนนี่นะโอ้โหฉันไม่ยอมอยู่แล้วนั่นอะไรครับเนี่นิสัยคนเดิมๆชอบโต้เถียงทั้งนั้นเราก็ต้องรู้พอเรียนหนังสือไปเรียนอ่านหนังสือไป อ่านคุณอานไบเรียนสุนนะฮัดดิสไปอลัลลอ์บุคคลที่เราไม่ต้องโต้เถียงหนึ่งพ่อแม่พี่ชายน้องชา ย, ยมีโต้ได้เยอะก็พูดเล็กน้อยกว่าพ่อใช่ไหมพอเรียนไปเรียนไปความรู้มันก็ค่อยเพิ่มมาเพิ่มมาทีนี้อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่ามนุษย์บางคนนี่นะโต้เถียงกับใครรู้เปล่าฟิลเล่นอลัลลอ์เลย นี่เป็นการโต้เถียงที่บาปที่สุดเป็นการโต้เถียงที่อัลลอฮ์ไม่พอใจนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังฉะนั้นไปสอนประชาชนนะมีมนุษย์บางคนมีนิสัยแบบนี้ว่ามีนันน่ะสไหมอ ย, ยูจะดีลฟิลลามีมนุษย์บางคนนะครับไหมผู้เป็นผู้ที่อยูจะดิลภาวะโต้เถียงฟิลลาฮิเกี่ยวกับอัลลอฮ์ เอาเช่นอะไรบ้างอัลลอฮ์ประกาศในกัมภีร์คุณอ่านบอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์อาฮัดอัลลอฮ์หุสมาตอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างลามยาลิดอัลลอฮ์ไม่มีลูกวะลามยูลัดอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่วะลามยาคุณละหูกูฟวันอาฮัดอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเสมอเหมือนอัลลอฮ์มีคนทําอะไรแยงกับอัลลอฮ์เต็มเลยอัลลอฮ์ประกาศว่าฉันไม่มีลูกฉันไม่มีบุตร เราวันนี้คนที่บอกว่าอลัลลอฮ์มีบุตรมีปาพูดปะศาสนาไหนรู้ใช่ไหม <c oughs> พระเยซูลูกอลัลลอฮ์นี่ออกมาจากปากมนุษย์หมดเลยอ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าโตวกับอัลลอฮ์อ่ะ <c oughs> ก็อลัลลอฮ์ประกาศว่าลำยาลิดว่าลำยูลักใช่ไหมอลัลลอฮ์ไม่มีลูกนะอลัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่มาแต่มนุษย์บางกลุ่ม โตอัลลอฮ์ไม่จริงอัลลอฮ์มีลูกชื่อนบีอิสอเห็นไหมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาหนาสี่แบบใช่หรือไม่ใช่หนึ่งไม่มีพ่อไม่มีแม่น่าจะศักดิ์สิทธิน่าจะกราบอดีตนาบีอาดามนะไม่มีใครกราบโตฮาตวาโตฮาวาเนี่ยมาจากซี่ครวงของอาดามทุกคนยอมรับหมดนะแต่ไม่มีใครกราบแบบที่สามสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อกราบกันเลย ใช่ไหมนี่เ้าเรียกว่าโต้กับอัลลอฮ์เอาชนะอัลลอฮ์ให้ได้ก็กทําไปแต่ทําไมไม่ลงโทษล่ะก่อ น, น, อ, นอับดุลลาเอาไว้ไหนรอ อ, อย่าเพิ่งลงโทษเลยประวิงเวลาเนี่เป็นเนี่ยมัดไม่ลงโทษเนี่ยเป็นเนี่ยมัดนะที่มองไม่เห็นนะแล้วก็ให้เขาเรียนเรียนเยนีนี่ก็เป็นเนี่ยมัดเองกูไม่เรียนอยู่ทําไมอย่างนี้เป็นต้น แต่นั่นคนที่โต้เถียงกับอัลลอ์เนี่ยเอาอะไรมาโต้หรูอเปล่าบิรย์รอิลมินโดยไม่มีความรู้เห็นยังความรู้ที่ถูกต้องบริสุทธิ์สะอาดนะ่ะไม่มีไม่ได้อ้างความรู้มาจากไหนเลยคิดปัญญาตัวเองเอาปัญญาตัวเองมาตัดสินว่านบีอิสาเป็นลูกของอัลลอฮ์เข้าใจเองหมดเลยครับฉะนั้นใครที่จะไป พูดอะไรก็าตามต้องมีก็จะมีหลักฐานต้องมีหลักฐานหนึ่งบิอรอ์รย์มีความรู้ในเรื่องอโลก็ไม่มีข้อที่สองวาฬหูดาไม่มีทางนําไม่ใครมาชี้นาให้ก็ไม่มีรู้อันที่สามว า, ากิตาไม่มีคัมภี์เล่มใดรองรับด้วยครับคัมภีร์แบบไหนครับมูนีคัมภีร์ที่จํารัดที่จัดชัดแจ้งเลยไม่มี ไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีทางนําไม่มีคำพี์เล่มใดมาอธิบายว่าอัลลอฮ์นะั้นมีลูกไม่มีเล่มไหนเลยทั้งหมดรีบมาจากปัญญาของมนุษย์หมดเลยฉะนั้นปัญญามนุษย์เนี่ยวาใจได้ไหมล่ะฉะนั้นยาวายใจปัญญาของมนุษย์ฉะนั้นให้วายใจว่าให้ความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะไม่มี อะไรนะความรู้ของมนุษย์เจือป่อนอยู่แม้แต่วักเดียวแม้แต่อายะเดียวไม่ไมีครับนี่อัสบายใจอราทำอยู่เลื่อยเอาพี่น้องตกลงว่าเนี่ยหมายของอลัลลอฮ์นี่ให้นะครบยัางขอบแล้วเราทำอยู่เลื่อยอยู่ที่เราเองจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจทีนี้เนี่ยหมายของอลัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่า น, นะกาแฟอายะอื่นนี่นะกู้นอ่านอาธิบายกู้นอ่านอาธิบายอย่างนี้ เอ า, า, าว่าเราอันมาในอ ل أ ر ض มีสัจจารถินอัคลำถ้าหากเอาต้นไม้ไม่พูดถึงเนี้ยหมายของอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยนะเอาต้นไม้เนี่ยทําเป็นปากกาเอา ต, อต้นไม้ในโลกเนี่ยทําเป็นปากกาแล้วก็ชายไนระชายน้ำทะเลเป็นน้ำหมึกนิยกตัวอย่างให้เห็นนะแล้วก็เอาปากกาในจุม่มแล้วก็เขียน บรรยายเรื่องของอัลลอฮ์บนชา้นฟ้าในแผ่นดินนะอัลลอฮ์อธิบายงั้ไม่สามารถที่จะบรรยายเรื่องของฉันหมดน้ําในมหาสมุทรทั้งเจดมหาสมุทรรวมกันแล้วแห้งแล้วแห้งอีกไม่สามารถที่จะอธิบายเนี่ยมัศของอัลลอฮ์ได้ครบถ้วนหมดแค่นี้คุณอาจเปิดสมองเราอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์นี่มันใหญ่จริงๆห้มามดือดริเล่ต่อมาครับ ความรู้ของมนุษย์ที่อัลลอให้มาเนี่ยเท่าไรหรือเปล่าว่ามาอูติตุมินาไลมีละกอีละและพวกท่านเนี่ยไม่ได้รับความรู้ใดๆเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเห็ไหมอัลลอล่าให้ฟังมนุษย์เนี่ยความรู้ที่มีอยู่นี่นะก mm hmm. อลีแปลว่าเล็กน้อยนี่เตือนไม่ให้ตะกบด เตือนไม่ให้โอหังเตือนไม่ให้โอดีนะครับนี่ในตในคุณอ่านอายะอื่นนะมาอธิบายอันนี้เพื่อเป็นการให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับพี่น้องมียิวคนหนึ่งอุลมะยิวเนี่ยเวลานาบีพูดอย่างเงี้วามาอูตีตุมนี่เป็นกุณอานนะพอนบีอ่านกุณอานอายะนี้ไปความรู้ที่พวกท่านมีอยู่นั่นเป็นความรู้ที่กอลี่เล็กน้อยพอไปได้ยินเข้าหู อุลมามะอยู่ยังมีชีวิตอยู่สมัยนบีเขาก็ส่งบางคนที่พูดจากเก่งๆเองไปหาหมฮัมหมัดไปเป็นนบีจริงหรือไม่จริงต้องไปถามก็ไปยังไปถามถามว่าความรู้ที่ท่านสอนเนี่ยว่าความรู้ที่เอาล่อให้กับมนุษย์เนี่ยเล็กน้อยเนี่ยเฉพาะพกกลุ่มคุณใช่ไหมกลุ่มมุสลิมใช่ไหม เข้าใจถามนะเฉพาะกลุ่มมุสลิมทำไมกลุ่มฉันไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มฉันนมีคัมภีรเตารอครบบริบูรณ์หมดแลว้วเข้าใจนะนพีษบอกว่าไม่ใช่กลุ่มคุณด้วยกลุ่มเราด้วยทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้จะเป็นมนุษย์คนไหนก็ตามไม่ว่าคัมภีร์เล่มไหนก็ตามที่เอาล้อให้ความรู้ผ่านวาฮีวาฮีผ่านเตารอมา ก, ก็เป็นความรู้เล็ก น, อน้อย ผ่านชั้นก็เป็นความรู้เล็กน้อยจะผ่านใครก็ตามเป็นความรู้เล็กเล็กนน้อยอยิวตกใจเลยเห็นมเพื่อประระกาศให้นมนุษย์รู้ว่าวันนี้นะความรู้อยู่ที่ใครอ๋อให้เรารู้เล็กๆ็กนน้อ ย, อ, ยอ๋อเห็นมเอาเรื่องจักรวาลเนี่ยรู้ว่าข้างบนมมีอะไรบ้างที่เดินทางข้าไปขึ้นไปหมดเงินหมดทองต้งเยอะแยะ พอลงมาก็ทําชิริกต่อฉันไม่พบอัลลอฮ์รัเสเซียประกาศเป็นคนแรกนะก่อนหน้ารัเสเซียนะฟาโรประกาศแล้วตอนที่ฮามานสร้างนะหอคอยอะในสมัย น, นู้นเะนี่ยนะพออบีพอฟาโรขึ้นไปขึ้นไปพอลงมาฉันไม่พบพระเจ้าที่น บ, บีมูซาว่าพระเจ้าอยู่ข้างบนนะฉันไม่พบนั่นหัวหน้าตัวอย่างนะต่อมารัเสเซียพูดอีกฉันไม่พบพระเจ้าเนี่ยเําลัลงรออเมริกาอยู่จะพูดเมไหร่ เห็นอยา ar ่างครับฉะนั้นความรู้ที่มนุษย์มีอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆฉะนั้นเราต้องเรียนตลอดเวลาเน่ยจึงไม่มีวันหยุดฉะนั้นอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนะให้เรียนนะเรียนนะเรียนนะเรียนเยอะๆกระจายนะข้ัมดัวเลยเอาต่อมาอายะที่ยี่สิบเอ็ดไว้กีลาเลหุม وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ ّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ ّ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا ء َ ن َ ا أَوَلَوْ كَانَ ا ل ش َّ ي ْ ا ل َّ ي ط َ ا ن ِ ي َ د ْ ع ُ و ه ُ م ْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ و َإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا, ما أ َ ن ز َ ل َ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ ي َ د ْ ع ُ و ه ُ م ْ إ ِ ل َ ى عَذَابِ السَّعِيرُ الحمد لله แต่ลายาแต่ลายาเนี่ ย, ยมีความหมายหมดเลยครับเอาเรื่องนี้นี่เรื่องนี้นี่เรื่องอายาที่กำลังอ่านอยู่ยี่สิบเอ็ดนี่นะต้องการจะบอกความรู้เนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยมีอยู่สองทางความรู้ที่เราอยู่ในตัวเราวันนี้นะหนึ่งความรู้ที่ผ่านวาฮีความรู้ที่ผ่านนบีความรู้ที่ได้คัมภีร์กุรานเรียกว่า นี่เป็นความรู้ที่ดีที่สุดสะอาดที่สุดถูกต้องที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่ว่างเดียวความรู้ที่ผ่านวหฮีความรู้ที่ผ่านนบีนะเรื่องที่สองความรู้ที่ผ่านปูญยาตายายเนี่ยความรู้ที่ผ่านปูญยาตายายกับความรู้ที่ผ่านนบีเป็นวาฮีนี่นะความรู้อันไหนถูกต้องที่สุด ต่อชาติมายาตัวเองแล้วของใครถูกต้องที่สุดที่ผ่านวัยครับแต่ความรู้ที่ผ่านโตเยะอะผ่านคนคนคนคนคนคนอะยตั้งแต่คนในยุคไหนก็ตามที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเป็นความรู้ที่อาจจะผิดพลาดก็ได้อะอย่างนี้ความรู้ว่านาบีอีสาเลอิสลามเป็นลูกอัลลอฮ์ใช่ไหม นผ่านปูญ่าตายายกี่ชุกกี่สมัยมาแล้วนะ่ะพูดเปนอย่างนี้สอนกันในบ้านสอนกันในโบสถ์ด้วยแล้วเป็นไงครับผิดมดเลยและความรู้ที่ผ่านนบีผ่านไวยเป็นความรู้ที่สะอาดหมดเลยฉะนั้นวันนี้ความรู้มีอยู่สองทางที่เข้ามาอยู่ในตัวของเราหนึ่งผ่านปูญยาตายายสองผ่านผ่านนบีหรือผ่านอัลลอฮ์ผ่านคำภี่ ความรู้อันไหนสะอาดที่สุดความรู้ที่ผ่านนาบีผ่านวะฮีผ่านคัมภีร์กรนานเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สุดยกตัวอย่างมนุษย์ตายกี่ครั้งแล้วเกิดกี่ครั้งตายสองครั้งเกิดสองครั้งนี่ความรู้ที่ผ่านวาฮีอย่างกับความรู้ที่ผ่านตัวยงตัวยอผ่านโตะแช์โตกีผ่านใครก็ตาม เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวส่วนใหญ่พูดแบบนี้หมดเลยแต่ความรู้ที่ผ่านวาฮีเนี่ยเกิดสองครั้งตายสองครั้งความรู้ที่ผ่านวาฮีมีวันกิยามาด้วยความรู้ที่ผ่านวาฮีอัลลอฮฺรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์หมดใครจนใครรวยใครเจ็บใครป่วยใครกําลังจะลงใครกำลังจะขึ้นอลัลลอฮฺจัดการแต่เพียง พ, งพงูนี่เป็นความรู้ที่ผ่านวาฮีหมดเลยเอามาดูกรุราน วัยกาตีลาลาหุมตีลาแปลว่ามีคนกล่าวมีคนพูดแล้วหุมแก่พวกเขาและเมื่อใดมีกล่าวแก่พวกเขาว่าอิ ต, ตาเบออิ ต, ตาเบิแปลว่าจงปฏิบัติตามจงเชื่อฟังจงปฏิบัติตาม มีคนมาพูดมีคนมาสอนจะเป็นนบีมาสอนหรือใครพูดก็ได้พี่น้องปัจจุบันนี้ก็ยังใช้คำนี้อยู่นะถ้ามีคนมาคุยบอกว่าอิตตาบิองจงปฏิบัติตามมาที่อันซาร์ลอที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมานี่เป็นความรู้ผ่านไวี ความรู้ที่ผ่านวาฮิยูบังไงนะมาอันซาลอสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้กับใครให้กับนบีมุฮัมมัดด้วยให้กับนบี ม, มูซาด้วยอีซาด้วยยูซุฟอิลยาอยาซาอิบรอฮิมนุฮะหมดเลยพี่น้องความรู้ที่ผ่านนาบีความรู้ที่มาจากอาลัลลอฮ์เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องสามารถพาเราไปพบกับอลัลลอฮ์เข้าสวนสวรรค์ของอลัลลอฮ์แบบสังงา ง, งามเลย อต่อมาครับกอลูพวกเขากล่าวว่าอธิบายยังไงต้านตรงกับยูจ่าดีลูอายาที่ผ่านมาใช่ไหมมนุษย์เนี่ยชอบอะไรนะชอบโต้เถียงกอลูพวกเขาโต้เถียงว่าไงบัลไม่ใช่ไ <c oughs> อที่มาจากอัลล์น่นไม่ใช่อะไรรกอ้างอัลลอะไรอะไรก่ออ้างอัลลอ์ ไม่ใช่เห็นไหมวันนี้เราก็สอนสุนนะใช่มหมยึดรูปแบบนบีนะนบีทานอาหารยังไงดูเอานาบีเป็นแบบเข้ามาัสยิดยังไงเอานาบีเป็นแบบนบียกย่องให้เกียรติคนเป็นของนบีทั้งหมดแล้วนบีก็สั่งนะอย่ามองดูตัวเองใหญ่นะให้มองดูคนอื่นใหญ่กว่าตัวเราความคิดแบบนี้มาจากวัลลฮ์หมดเลย น บ, บีคนอ่าอัลลอฮุหม่าจะอัานไอนีสอรีรอนอัลลอฮ์จะให้ฉันมองดูตัวเองในเล็กคนอื่นก็จะมองเราใหญ่ถ้าเราทําตรงกันข้ามเราเองเนี่ยใหญ่คนอื่นก็จะมองเรากระจอก <c oughs> นี่ความรู้ผ่านวาฮหมดเลยนะ่ะแล้วความรู้ที่ผ่านมาจะผ่านวาเฮเองต้องวางตัวใหญ่นะ สเกยยังไงบ้านใหญ่ๆเอาไว้รถใหญ่ๆเอาไว้ตำแหน่งสูงๆเอาไว้เดี๋ยวคนมันสำครบเองพิษผลบุญนก็นไม่มีด้วยอันทีนี้เวลามีคนมาประกาศว่าจงปฏิบัติตามที่อัลลอ์ได้ทรงประทานลงมาหมายถึงอัลกุรอานและความรู้ที่ผ่านนบีหรือผ่านวะฮีอธิบายอย่างนี้นะครับ ก็ลูพวกเขาต้าว่างไงโต ว, ว่างไงนะบัลไม่เอานัดทายองเราจะปฏิบัติตามอะไรครับมาที่เราวจยดนาที่เราพบที่เราพบอะไรครับอะไรในเรื่องนั้นอาบาณนาะพ่อของเรา อาบ า, าถึปาาาาแปลว่าอาบุญแปลว่าพ่อต้านความรู้ที่ผ่านวะฮีฉันไม่เอาแต่ฉันจะเอาความรู้ที่ผ่านใครผ่านพ่ออธิบายนะครับนี่ เ, เรียกว่าประเพณีปฏิบัตนะิความรู้ที่ผ่านคนไม่ชะผ่านอัลลอฮ์ไม่ชะผ่านนาบีแต่ผ่านคนจะเป็นใครก็าตามพี่น้องยุคไหนก็าตามความรู้ที่ผ่านพ่อ ผ่านปู่ผ่านแช่ผ่านโต๊ะผ่านใครจะ่ใครปู่ย่าแตา่ยายที่ผ่านๆกันมานะครับฉันจะยึดตามพ่อแม่พันบับบรุษของฉันเพราะเขาปฏิบัติกันมาอย่างนี้มาตลอดวันนี้ภาษานี้ยังใช้ยอยู่ไหมยังใช้ยอยู่ในหมู่บ้านสังเกตแต่กูอานอธิบายยังไงนี่เป็นการนะนะอิมติฮ่าเป็การทดสอบหวัวใจมนุษย์ เมื่อได้ความรู้จากปุยาตายายมาแล้วจะถือปฏิบัติอย่างนี้จนกระทั่งตายหรือหรือว่าจะทิ้งแล้วก็เอาความรู้ที่ผ่านวะฮีมาแทนต้องนึกครับกอูบัลนัตเบียมวาจดนะอยฮลอับานาเราไม่เอาหรอกคำพูดที่มาผ่านวะฮีนะ แต่จะเอาความรู้ที่เราได้พบเห็นจากใครนะจากอาบะบ่อพ่อของเราบัรผ้าบุรุษของเรานี่เป mm ็นการโต้แบบไรน้าแบบแบบเออเล่าเองนะเนี่ยโอ้โหฉันไม่เอาคําพูดที่ผ่านวาฮีฉันไม่เอาคําพูดที่ผ่านนบีฉันไม่เอาคําพูดจากอัลกุรอานฉันไม่เอาความรู้ที่ผ่านฉันจะเอาความรู้ที่ผ่านปู่ย่าตายายมาปฏิบัติศาสนาแทนคำพีดอัลกุรอานแทนแทนนบี นี่บาปหนักนะคุณน้องถ้าหากว่าการปฏิบัติตามปู่ยาตายายนี่นะเป็นเรื่องที่ดีนะอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีมาสอนคนมักกะหรอกก็อยู่อย่างนั้นแหละกลาบกูจะเวทไปสิใช่ไหมละ่ะกาบเจะเวทไปแล้วก็ผู้หญิงมีผัวแต่สามสี่คนเอางั้นเหรออยู่ข้างนอกคนอยู่ในบ้านคนหนึ่งผู้ชายก็มีกิ๊กเต็แต่ไมดเลยอยู่แบบไม่ต้องแต่งงานนี่ความรู้ ที่ผ่า น, นาบีเนี่ยต้องนิกายถูกต้องความรู้ที่ผ่านปุยยะตายาอย่างสมัยนครมักกานะ่ะชอบใครพอพึงใจไปอยู่ด้วยกันเลยอะ่ะจนกทั่งไม่รู้ว่าลูกใครลูกใครลูกใครกันเนี่ยอยู่อย่างนั้นอ่ะลําบากไหมลําบากยกตัวอย่างง่ายๆนะยะฮูดีกับพวกนัสโรณีเนี่ยก่อนที่นบีจะมานเขาอยู่ก็อย่างงี้นะเวลาภรรยาภรรยามีประจำเดือน สามีจะอยู่นอกบ้านหมดเลยเพราะชาวบ้านเนี่ยปู่ย่าตายายท่ถูกสอนกันมาว่าไงนะพะยาสกรปกรอจับมือถือแขนไม่ได้นอนบนเตียงเดียวกันไม่ได้กินหม้อข้าวหม้อเดียวกันไม่ได้คุยกันได้จับมือถือแขนไม่ได้ต้องไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ถามมาว่าจําเดือนหมดยังอ่านมลแล้วเอาข้าวได้ นี่เป็นความรู้ผ่านปูย่าตายายแล้วก็เรื่องนี้ไปถึงเรื่องไปประถามนาบีคนนบีมุฮัมมัดถูกแต่ตั้งมากมีคนไปถามว่าเรื่องเฮตเป็นยังไงยัสอาลูนากาอานิลมาให้พวกเขามาถามนาบีว่าเรื่องประจำเดือนเป็นยังไงมุฮัมมัดจงตอบปุลฮูวาอาาเลือดประจำเดือนเป็นสิ่งสุกรปรก ฟ้าตาซีรุนนิสาฟิลมาฮิดอย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่มีเลือดประจำเดือนเท่านั้นนี่มาปดลอกน่ะพี่น้องพวกยูฮูดีละหูตาสว่างอ่ะโอ้โมาสอนคนมมชิกนั้นคนคนมาการ์ด้วยเองก็เดินตามยูฮูดีอยู่วันนั้นอ่ ะ, ะพออลัลลอฮประทานอัลกุรอานลงมาผ่านวาฮีเป็นความรู้ผ่านวาฮีมา ห้ามเดียวเลยเรฉันเข้าบ้านได้แล้วพยามีประจําเดือนนอนด้วยกันได้ไม่ได้ห้ามอยู่หลับนอนด้วยกันอย่างเดียวที่ห้ามจับมือถือแขนได้ทานอาหารร่วมกันได้หลอกพูดคุยกันได้กอดกันได้ทำอะไรหมดยกเว้นอย่างเดียวอย่านย่าทำอย่าร่วมหลับนอนแค่นั้นเองที่อติอิสลา ม, มา้ามนี่เป็นความรู้ที่ผ่านวาฮีวันนี้ความรู้ที่ผ่านวาฮีกับความรู้ที่ผ่านโตยอดตุกี มันทะเลาะ ก, ก็อยู่ในหมือบ้านใช่หรือไม่ใช่หลายหลายอย่างที่มุสลิมเราเนี่ยยึดเพราะตัวครูสอนด้วยนะอย่าทิ้งประเพณีปฏิบัตินาแล้วก็อ้าวว่างนนะล้วตัวยอเราไม่ตรงนรกโมดเลอใช่ไหมก็เราได้ยินเนี่ยอ้าวในเมื่อเรารู้ว่าพลความรู้ที่ผ่านตัวยอเนี่ยมันผิดเราเอาความรู้ที่ผ่านวัยมาถ้าไม่ไม่ขอุทิก็แล้ว เรลลาจะให้โตฉันกีฉันตโตย่อฉันที่ทําอะไรผิดผิดไว้เนี่ยอภัยโทษในความผิดไม่ดีกว่าหรือที่จะมาทัเล่งทะเลาะกันเนี่ยปฏิบัติตาม อ, อายนะุขูอ่านนะการพิจารณาลายสะอาดบริสุทธิ์สบายนี่เ ล, ลาโทษสว่างหัวใจนะเอ็งจะยึดกูอดยยนอ่านหรจะยึดประเพณีเอาต่อมาครับอวลา ว, ลวกันัลไชตอนอะไรได้ อาศัยตอนเป็นไงครับอย่าด่าวหุมเรียกร้องหรือชักชวนดายันด่าว่าน่ละแปลว่าชักชวนไปหาใครอีลาอาซาบิสัยอาซาแปลว่าการลงโทษอีลาแปลว่าสู่การลงโทษอาศัยที่ลุกไหมใส่ตอนอตอนัว่าใสตอนเรามองไม่เห็น แต่ประเพณีปฏิบัติเป็นทัวแทนชยก่อนก็ะยันนะประเพณีปฏิบัติของใครบางคนที่รักษากอนไว้นั่นเป็นทัวแทนของัยปอนและใยตอนนี้นะครับเรียกร้องคนเชิญชวนคนไปไหนอิลาอาซาบิสัยซูนารกหมดเลยนี่เป็นการอะไรนะทดสวบหัวใจเป็นฟิตนะอันหนึ่งเอาเราต้องการจะดูอ้าว มีประเพณีปฏิบัติรักษากันมาตั้งห้าร้อยปีแล้วกับความรู้ที่ผ่านวะฮีผ่านนาบีมันมาเองจะเอาไปใดถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนบีก็ต้องทิ้งประเพณีปฏิบัติแล้วก็หันมายึดความรู้ที่ผ่านวะฮสะอาดบริสุทธิ์พ่อมาจากอัลลอฮ์สุภาพดาราแล้วก็ความรู้ที่ผ่านโตยอดโต๊กีโต๊ะแชร์ประเพณีปฏิบัตินั้น เป็นตัวแทนของกายชัยตอนแลาใชัยตอนเป็นยังไงครับยาดาวหุมเชิญชวนพวกเขาอิลาอาซาบิสาอิส่การลงโทษที่ลุกไม่พี่น้องเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> มีวันหนึ่งนี่นะ <c oughs> จิบรีลลงมหาหาบีลงมหาหาบี มาถามบอกว่ามาเล่าให้นบีฟังบอกว่านารกนมีอยู่เจ็ดเขุมและเอ่ยชื่อด้วยนะยิบรีนลงมาหานาบีนะ 1. นึ่หันนำสอฮอตอมะสามลาวโร 4. ี่สายรุนนี่ไงส า, ส า, ายสะพานี้่ ห้าสกอร์หกยะฮิมเจ็ดฮาเวียนี่ความรู้ที่ยิบรีนมาให้กับท่านนาบีแล้วมีวันหนึ่งยิบรีนลงมาหานาบีมาเล่าบอกว่ า, วานารกที่หนักที่สุดอยู่ลึกที่สุดนั่นเรียกว่าฮาเวียขังใครสร้างเอาไว้ให้ใครอยู่ให้คนมูนาฟิกอยู่ แล้วก็ขุมที่หกล่ะยบินไม่พูดมาเล่าว่าอุมมกของคุณด้วยมีมีแล้วมีมีนารกด้วยนบีก็จ้องฟังเอ๊ะนารกอุมมาของนบีมฮัมหมัดมีนารกด้วยเหรอบอกมีชื่ออะไรชื่ อ, อยะฮันนำ แล้วก็ขังใครขังคนที่เป็นมุสลิมที่เอาอาลัลลอฮ์นั่นแหละแต่ทําจินา่าไม่เลิกจกนกระทั่งตายนับถือปู่ย่าตายายความรู้ที่ผ่านปู่ย่าตายายแล้วก็ทิ้งความรู้ที่ผ่านวะฮีจกนกระทั่งตายโอ้โหเห็นไหมกินเหล้าจกนกระทั่งตายทําความผิด ทำเป็นเป็นนักร้องเต้นรําจนกระทั่งตายอ่ะเล่นดนตรีหาเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งตายเนี่ยหกเจ็ดประเภทนี้นะครับขังคนประเภทเหล่านี้คนในอุ ม, มาของนบมีมุฮัมมัดสุลลัลละวะสัลลัมนบีร้องไห้เลยอัลลอฮฺร้องไห้สองสามวันนะ่ะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้กินแต่ไปนมาก็นั่งน้ำมาอยู่ก็ร้องไปร้องไปสะอื้น ทำไมแล้วนบีเป็นห่วงนบีฟิกเกตฟิกเกตอาญาฟิกเกตการลงโทษฟิกเกตนรกน่ยรอ้องไห้เนี่ยแต่ี่คำถามถามว่าพวกเราวันนี้นะ่ยฟิกเกตเรื่องอะไรทําไมนบีร้องไห้เพราะนบีเป็นห่วงกลัวไม่อยากให้อุมาของนุบีสักคนหนึ่งเนี่ยลงนรกชั้นนรกที่อาจจะขังอุมมาของนุบีนี่ชื่ออะไรนะจาหันนำจาหันนำนี่มันบาหนาะ เบาขนาดไห น, ห น, หนหรู้ไหมมี่านไฟสองก้อนยืนเหยียบที่สมองไปไงเดือดพลับล บ, ล บ, ล บ, ล บ, ลบนั่นคือยานนำที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้นี่เมตตาแล้วนะให้เบาที่สุดนะยีต้นนะครับอางวยสุดท้ายว่ามายยุสลิมวจ ج าหูอิลลอห์ วะหัวม <t> ุฮซินฟาดิสตัมสักบิลอูรุติลุ <Carwyn> ษกาอฺ وإلى الله عاقبة الأمور الحمد لله وَمَن يُصْلِمْ وَجَاهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فقد استمسك بالعروة الوثقى ال وإلى الله عقبة ا الأمور.الحمد لله. อาจายะสุทธากับอันนี้ประกาศชัดเจนเลยนะให้ทิ้งให้หมดประเพณีปฏิบัติที่ได้มาจากคนทิ้งให้หมดที่ได้มาจากอะไรอะไรก็าตามความรู้ที่ผ่านคนนี่นะทิ้งให้หมด มาเอาความรู้ที่ผ่านวะฮีดีกว่าเอาความรู้ที่ผ่านวะฮีอะไรครับวามันและผู้ใดยุสลิมแปลว่านอบน้อมใบหน้าวจาจาฮูหมายถึงใบหน้าของเขาทำไมเอ่ยใบหน้ารวมไปถึงกายวาจาใจแค่ใบหน้าพอแล้วเนี่ยเอาล้อพูดนะ เอาเองใบหน้าของคุณนี่นะหันมาหาอลัลลอฮ์เนี่ยรวมไปถึงร่างกายของคุณใจคุณอลัลลอฮ์อะไรบ้างกายว่าจใจมาหมดเลยถ้าใบหน้ามาอย่างอื่นตามหมดเอาใบหน้าไปไว้ไหนครับยุสลิมแปลว่านอบ น, อบนอ้อมถ่อมตนยอมรับใครครับอิลลลลอฮยอมรับในอลัลลอฮ์อง์เดียว นั่นล่ละเป็นความรู้ที่สะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นความรู้ที่ผ่านวัยบุคคลตัวอย่างที่มอบชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอ์เล่าให้ฟังนะในกลุม่มนุษย์นี่นะมีคนดียเยอะแยะไปนบีอะไรอิบราฮีมละฮิสลามนางซาร่านางฮาจารที่เอานาบีอิสมาอินไปอยู่ที่นครมักกาใช่ไหม น, ะนีพวกนี้ เป็นมัทราอัลซอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเป็นบุคคลตัวอย่างในกลุ่มผู้คุณนะเอาปู่ย่าตายายมาทำอะไรไม่ดูตัวอย่างนบีถ้าจะอ้างปู่ย่าตายายเออยนบีนบีอิบรอฮีมโนนอย่าไปเออยแค่ปีสองปีร้อปีนี่อย่าไปเอปอยเอเอยแอ่อิบรอฮีมเป็นผู้ไรนะบุกเบิกนครมักกะให้ภรรยาไปบุกเบิกนครมักกะมองตรงนั้น ทำไมต้องมีโซฟามารวาเดินตามใครมัอาสอลลหะภรยาของนบีอิบราฮีมที่วิ่งหาน้ำและมาเจอน้ำ z a m z a นั่นเป็นที่มาของคนดีคนที่ไรนะมอบชีวิตของเขาไว้กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวสังเกตได้ยังไงพนบีอิบราฮีมเอานางฮายัดใช่ไหมกับอิสมาอีมาไว้ที่มักกะที่ไรนะที่กาบ้านนะ กะ บ, บ้ายังไม่มีแต่อยู่ใต้ดินมันมีอยู่แล้วมันมีไรก็แต่มีอสซาสมานะมีรากฐานอยู่พอเดินกลับกระถามปล่อยฉันทำไมป่อยอย่างนี้เลยพูดยังไงอ่ะนางก็ถามใหม่อลัลลอฮสั่งมาใช่ไหมหันหน้าไปเลยใช่แล้วอ้าวถ้าอลัลลอฮสั่งนะไปเลยไลยาดีอานานี่ภาษาของนางฮาจั์นะ อัลลอ์จะไม่ทำลายฉันจะไม่ทำให้ฉันลำบากภาษาที่ออกมาจากปากเนี่ยแสดงหัวใจของเขาไปเลยครับนอ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนต่ออัลลอ์โดยสิ้นเชิงครับแล้วก็นบีอิบราฮิมที่เอาภรรยาไปปล่อยในสามวิญ า, ากปล่อยไม่ล่ะ7ซเวอเวมีปลาอยู่นั้นน่ะไม่มีคนก็ไม่มีตนมาก็มีตะแดดแดดแดดแดดไอที่สั่งอัลลอ์สั่งให้ยอมจำนนต่ออัลลอ์สง่า ง, งามไหม วันนี้พวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่พูดถึงท่านอยู่ตลอดเวลาเชิดกุลบานทีนึกถึงใครนบีอิบราฮิมนบีอิบราฮิมนบีอิบราฮิมทั้งทั้ที่อยู่คนละคนยุกอ่ะนี่เป็นบุคคลตัวอย่างที่อัลลอฮะมาวะจาฮูลิลละเขามอบนอบ น, อบนอบ้อมถมต้นใบหน้าของเขาร่างกายของเขาจิตใจของเขาวาจาของเขาต่ออัลลอฮฺโดยสิ้นเชิงเป็นบุคคลตัวอย่างครับในโลกนี้ ต่อมาครับวะฮุวะมุฮซินวะฮุวะมุฮซินและเขาเป็นผู้กระทำความดีเห็นไ้มนบีอิบรอฮีมเนี่ยที่ยกตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นอาบ้าของพวกเราเป็นพันผพ้ประรุษเพราะตัวอย่างเขาทำงานดีใช่หรือไม่ใช่วะฮุวะมุฮซินตรงนี้แหละเขาทำการดีอะไรบ้างเชื่อฟังอัลลอ์ไอที่ไปวันนั้นนะขีบุรกไปน่ะ บุตรของเจนบีชายขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไม่อรรดนั่นแหละอต่งี้เป็นตัวอัลลอฮฺอักบัดวาฮูวาโมเซนเขาเป็นคนทําความดีแค่มอมยอมจำนนตนต่ออัลลอฮจะทําความดีอัลลอฮยกย่องว่าไงครับฟาคอดิสตัมสากะดังนั้นแน่นอนฟาคอดดังนั้นแน่นอนอิสตัมสากะแปลว่า เขาผู้นั้นได้จับอิอสตมสัมก็ได้จับได้ยึดอิสมสาซกะเดิมแปลว่าจับหรือยึดอิสตมสัมซกะเขาได้ยึดเข า, ดดขาได้จับจับอะไรครับบิลอาร์วาอาร์วาแปลว่าห่วงหรือบ่วงห่วงหรือบ่วงอาร์วาเขาจับบ่วงอลูุสก อ, อันมั่นคงอัลลอชัด เข้าใจง่ายไหมง่ายเลยฉะนั้นใครที่ยึดอัลลอฮ์ใครที่มอบชีวิตกายวาจาของเขาเพื่ออัลลอฮ์องเดียวนะแล้วก็ทําความดีตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอนในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าความรู้ที่ผ่านวาฮีนะนั่นเท่ากับเขายึดจับหวงที่มั่นคงแล้วถูกต้องแล้วครับอัลลอฮฺอัลกุบนด์เห็นอย่างนี้ความรู้ที่ผ่านวาฮีสบายใจไหมสบายใจ ไม่ต่างกังวลกับความรีที่ผ่านต่อยอดต่อยอตกนรกหมดเลิกคิดเลยครับเอาความรู้ที่ผ่านวาฮีผ่านอัลลอฮ์ผ่านยิบรีนผ่านนาบีใช่ไหม ย, ยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียวนี่เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับต่อมาครับวไวลัลลอฮ์เลี้ยงอัลลอฮอาคีบาตุลอุมูนอาคีว่าแปลว่าการกลับหรือที่กลับ ทุกคนตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วต้องกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺอุมูรุนมาถึงกิจการของเขาทั้งหมดที่ทำไว้นั้นจะไปประจักษ์อยู่ที่หน้าอัลลอทั้งหมดงานของเขาที่ทำไว้ก็เป็นพยานตัวเขาก็ต้องไปอยู่อยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺความดีความชั่วที่ทำไว้ถูกประจักษ์หมดเลยในวันไหนในวันเกย์มาโน่นนี่อัลลอ์เล่าให้ฟังนะฉะนั้น มนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาเบนี้ทําอะไรไว้กว็าตามจะอยู่ที่ไหนที่อธิบายมาอยู่ในหินอยู่ในชั้นฟ้าอยู่ในใต้ดินจะอยู่ตรงไหนก็าตามอาลัลลอฮ์จะนำเอามาให้เห็นนี่คุณทำเอาไว้นะเป็นความดีทั้งหมดนี่คือรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์จะมอบให้กับคุณในวันเตยามากรับี่ครับนี่คือความสําเร็จของชีวิตก็คือมนุษย์ที่เราอ่านกุรา น, นะสรุปอาย่นี้เป็นการเตือนนะนะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมอบตัวของเราไว้กับใครไว้กับอัลลอฮ์ความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ดีจริงๆนะครับก็สุดทา้ายนี้ขออานอัลลอฮ์พี่น้องได้รับความรู้อันนี้นำมาไปปฏิบตัตนะิแล้วแก้ไขตัวเองนะสุบบฮะนััก